บ้านเพิ่มวาดป่าบ้านเพิ่ ม, มอยู่ที่ไหนนายุงเจ้าค่ะอําเภอนายุงค่ะท่านใจคาสดอุ เ, อาเอา้าหลอมั้งคะอยู่กับอลตามนะคเข้เามาอยู่คนอายุเพิ่่สภาพหลวงพ่ไม่ค่อยสบายร้เอเป็นหวัดขึ้นมม่กม่อากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุน เรารู้จักกันเลยเป็นพี่น้องกันเจ้าค่ะอ้องหยงเทพนะเจ้าค่ะเมื่อเช้ามาวัดมักจันมาใส่บาตรเจ้าค่ะค่ะเยอะไหมพระหกสิบรูปเจ้าค่ะแต่เมื่อเช้าลงน้อยเจ้าค่ะเคลื้อนหนึ่งใส่กันบาทบัตอทีพรเชอากินข้าวเลยพรชอบกินธรรมะข้าวมาสค่ะที่ม กินข้าวแล้วใจพร้อมกินธรรมะแล้วใจอ้วนโยมชอบอ้วนทางร่างกายถ้าชอบอ้วนทางจิตใจถ้าเลยพร้อมทางร่างกายโยมเลยอ้วนทางร่างกายแต่พร้อมทางจิตใจกด อ, <c oughs> อร่อยอดไม่ได้เจ้าค่ะ ไม่ได้อยากจะอ้วนจะาแต่มันติดจะทำไงได้ติดแล้วมันก็ถอนยากต้องพยายามหลวงพ่อท่านบอกว่าให้พยายามปิดเปลื่องความรูรังทั้งภายในนอกภายในฟังดูง่ายแต่ปฏิบัติยากมากแต่ก็พยายามจะวาง แล้วพรอาจารย์อะไร น, นะที่เื่อทำสดเจ้าค่ะทำสดเนีอายุาทาหลายพระบุญห ล, ญหละในคำสดที่ใกล้กันท่านใจขันตีอะร่า้อามไม่ค่อยรู้จักชื่อพระเท่าไหร่นอกจากพระที่กคยอยู่ร่วมกันเจ้าค่ะท่านจารู้จักท่านหมูไหมคะหมูค่ะหมูเ ตอนนีอยู่วัดที่ตกัดเลยที่นาแข่วหมูที่บ้านอยู่จันทบุรีใช่ใช่เจ้าค่ะรู้จักรู้จกอนนั้นเคยอยู่ด้วยกันจาได้าท่านชวนก็ไปอยู่นาแข้ว่ายมลูกว่าจะไปสักช่วงอะไรไปไปภาวนาติดใจได้แล้วไปเอาธรรมะดีกว่า ธร ม, มะเอาไปได้อาหารออกไปไม่ได้เวล า, าตายเขาก็ไม่เอาอาหารมาให้เรากินนะเอามากินไม่ได้วันนี้ก็อาจารย์ตัทนท่านสอนอะไรบ้างเลยท่านนไม่ได้สอนจ้ะค่ะ ท่านให้สวดมนต์แล้วก็ถือชิงแล้วก็ภาวนาเจ้าค่ะร้อยแค่นั้นเหรอืไม่ได้เทศนตอนที่ไปใส่บาทนี่ใส่ที่สาราเลยเนะี่ยเป็นลานใส่บาทเจ้าค่ะท เ, เข้าวัดเจ้ค่ะเพราะว่ามีที่สาลาก็มีวาแต่ว่ามีหลายคนหลายองค์อธิษฐานตกบาทประมาณเกืบยี่สิบรูปเจ้าค่ะอ๋อเลยต้องใส่ที่หน้าวัดต้องให่หน้าวัดจ้าค่ะอื ที่ศาลาก็ถวายสังฆทานก็ค่ะแล้วที่ตรงที่พิจารณาอาหารก็ถวายประธานอาหารจ้าที่วัดนี่นายพรรษารับอาหารที่ศาลาป่ะใช่ค่ะญาติโยมเาอาหารไปถวายที่ศาลาได้ป่ะได้ค่ะส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็ใส่บาตข้างนอกค่ะแล้วพระท่านฉันยังไงท่านท่านมาเดินตักอาหารเราเองใช่ค่ะองค์ที่ไม่ได้อยู่ที่ฐานตกบาตรค่ะก็ไปตัก อ่านี่จะไม่ได้ไม่ได้เลื่อนนะให้พาะไปไม่ไม่ให้เลื่อนแบบพระไปตักมาเอ ง, เองเถือบาทแล้วไปแล้วก็ไปเลือกตักเอาเลือกตักเอาเจ้ค่ะแต่มีก่อนแล้วมาให้ตัดเท่าไหร่ก็ต้องกินเท่านั้นใช่ไหมประมาณ น, นั้นเจค่ะถ้าเหลือ <c oughs> เหลือท่านก็จะท่านก็จะามาให้กินไงสนะ่วนใหญ่ก็จะไป ถวยายายบัตที่วัดมากจันทร์ก่อนจ้าค่ะแล้วก็จะมาฟังธรรมพระาจย์บายสองอมากจันทร์เออกไม่ใช่่วัดมืนแค่วัดวัดนาบจันทร์เนาอไปไกลเลยนะมาบจันทร์ก็ต้องออกแต่เชา้าอยะออกจากกรุงเทพตีสามจ้าค่ะ ม, มีพระหกสิบกว่รูปมีชาต่างประเทศเยอเะไหมประมาณสาสิบปอร์เซ็นนะคะคือพระชาพระชาต่างประเทศเนียคระมาะ สิบวาหรือยี่สิบองเจ้าค่ะมีชาวต่างประเทศที่เป็นผู้หญิงไม่เห็นเจ้าค่ะไม่มีทังนั้นลูกเรียนถามถ้าตอนที่เราภาวนาแล้วบางทีภาวะที่คลิดใกล้ๆจะลงหรือรวมบางทีเหมือนกับนต้องคืนน้ำลายมันก็ต้องถอนออกมาเป็นหลายครั้งนั่นที่ท่าทำอะไรดีนะก็อย่าไปเกินมันเลยมันรู้สึกมัน พยายามฝืนแต่มันรู้สึกปิดอัดมากต้องแบบอย่าไปสนใจมันเลยให้อยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับเราใช้อะไรภาวนาอยู่พุโทโธจ้ะเราก็อยู่กับพุโทโธไปแล่ต้อไม่ให้ความสำคัญกับอะไรพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไปเไปองเราไม่พุโทโธเนี่ยพอไม่พุโทโธมันก็ไปรับรูเร้เรื่องนั้นเรื่องนี้รับ พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปมันอยากจะเกินอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธไปมันหลอกเราเน่ยถ้าไปสนใจมันมันก็มันก็มันก็ต้องเกืนเกินแล้วเดี๋ยวมันก็ดริ่ต้นใหม่ต้อไม่ต้อไปสนใจมันเนียมันจะไหลออกมาทางปากก็ปล่อยมันไหลไปแล้วก็พุทโธเราไป เราไปสนใจเรื่องของร่างกายแม้แต่บางทีคนนั่งเราเคลื่อร่างกายเอ็นไปทางซ้ายบางเอ็นไปทางขวามาน ก, ก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ใช่พอเอ็นไปทางซ้ายก็กลับมาทางขวาพอนหนึ่งกลับมาทางขวามากไปซ้ายแล้วก็ไม่ต้องไปไหนเนี่มันก็มัวแต่ไปนั่งขยับอยู่ที่ร่างกายไม่ต้องไปสนใจเวลาเริ่มภาวนาแล้วเวลาก่อนจะเริ่มภาวนาก็นั่งให้มันึก นั่งให้มันตรงให้มันถูกต้องเมื่อนั่งถูกต้องตรงแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจไปแล้วน้ำลงน้ําลายก็ไม่ต้องไปสนใจพุทโธพุทโธพุทธโธไปเรื่อยๆมันจะเต็มปากให้มันไหลออกมาเองเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันยังเป็นไปได้มันจะเข้าบางครั้งมันเป็นรดีเฟรสธรรมชาติของร่างกายไม่หรอกมันกิเลสกิเลสใช่มใช่ไหมกิเลส คนที่ก็นั่งก็ไม่มีเขาไม่เป็นก็มีเขาไม่เป็นด้วยกันอนะ่ะถ้าจะเป็นอะ่ะถ้าไม่เป็นมันก็ไม่เป็น อ, อยู่ที่เราไปให้ความสำคัญกับมันหรือไมกิเลสมันสร้างสร้างปัญหาขึ้นมาให้เราว่าเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธนั่นเองถ้าอยู่กับพุโทโธมันจะไม่มีโอกาสไปรับรู้หรือไปให้ความสำคัญกับอเรื่องต่างๆได้เลย นะฮะพุโทโธเรามันยังไม่ไม่ถี่ทอไม่ไม่ต่อเนื่องพุโทโธพุทโธหายหายพอมีช่องว่างมันก็แวะไปเรื่องนั้นเรื่องนี้พอแวะไปแล้วก็เลยเกิดความอยากขึ้นมามันก็เลยเข้าสู่ความสง บ, บไม่ได้ยพยายามใช้พุโทโธพุทโธได้บันที ช่งไหนที่มันมารบกวนมากก็ลองบริการให้มันถีให้มันเร็วขึ้นก็ได้เป็นสุดยนี่อยอแก้อยู่ เ, เแต่ไม่สำเร็จต่ผงก็ให้ต้องถีกว่านี้ต้อ <c oughs> งถีเสียได้เหมือนกับต้องมาเสียโอกาสเสียได้ไมเสียได้เลยเราไม่ทามันเสียได้ จะได้อะไรมันเหมือนจะจะลงจะรวมไม่ได้แล้วมันก็ต้องมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ม้วเหมือนขับรถขึ้นเขาพอเกือบจะถึงยอดเขาก็ปล่อยคันเร่งมันม า, อมมาถอยลงก็เหยียบคันเร่งไว้ให้มันสุดไปเลย <c oughs> เดี๋ยวมันถึงยอดเขาแล้วก็สบายแล้วไม่ต้องเหยียบคันได้ไงนะจอดจอดก็ไม่ไหลหลง อันนี้พระอาจารย์นานลงรึเปล่าลงแต่ทาไม่ได้มารับบาทจค่ะอ๋อท่านไม่ารั บ, ส, บสังฆนท่านแค่ะปกติท่านรับแขกกีกี่ช่วงอะมิซาจะกลับมาแต่เช้าทุกครั้งแล้วสักรเจ้าค่ะใส่บาเสร็จส่บ า, บาเ อ, อ่อถวายพระาหาแล้วก็ไปถวายสังฆารเจ้าค่ะ ที่เดียวกันในวัดะค่ะสามสจุดก็คืออ๋อใส่บาทที่หน้าวัดหน้าวัดแล้วแล้วก็ไปถวายพระาตไปถวายพาาระ า, ารที่สาราที่าราเจ้าค่ะแล้วให้พาฉันแล้วก็มาถวายสังฆทานข้างในที่ปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะแล้วท่านก็จะให้เราสวดมน ปฏิบัติแล้วท่านก็ไปพิจารณาอาหารพอท่านพิจารณาอาหารเสร็จท่านก็กลับมาให้เราไปต่อใช่ไไปต่อที่ ไ, <ป>ไหนไปไ ป, ไปทำไปตักอาหารเจ้าค่ะไปถวายาหารก่อนแล้วก็ไปถวายสังฆทานาพระรออยู่ที่สังฆทาน่าคะที่อาหารไม่มีพระที่อาหารไม่มีเจ้า่ะมานั่งกันหมด แล้วพอตอนที่ญาติโยมปฏิบัติแล้วก็สวดมนต์ตามที่ท่านมีไมโครโฟนบอกมาให้ไปหน้าไหนหน้าไหนแล้วก็สวดเจ้าค่ ะ, ะท่านไปพิจารณาอาหารท่านกลับมานั่งเสร็จล้วท่านก็เคาะระครังให้ออกจากสมาธิเจ้าค่ ะ, ะแล้วพระกระฉันแล้วพระกระันแล้วก็ญาติโยมก็ไปตักอาหารต่อท่านให้ไปตักอาหารเจ้าค่ะ พาไปตักอาหารก่อนจค่ะแล้วก็มานั่งเจ้ค่ะนั่งแล้วก็ขอละทางให้ตอนนั้นโยมนั่งสมาธิกันอยู่ตอนที่พาไปตักอาหารเจ้าแล้วพวกคนที่เข้ามาทีหลังเขาทาไงอะส่วนใหญ่จะรู้เวลาเจ้ค่ะ<า>จะมากันพร้อมกันอืแต่วันธรรมดาไม่มีคนเจ้าค่ะวันนี้มีเราคนเดียวอืม แล้วมีผู้ปฏิบัติตามผู้หญิงอยู่อย่างนี้สามคนจ้ะมีแค่สามคนเอ่านัก็จะชอบมาวันชอบไปวันธรรมดาจ้ะค่ะถ้าสาวทิศคนทำบุญเยอะจังตอนที่โยมไปถวายสังฆทานพระรับสังฆทานก่อนเสร็จแล้วพระท่านก็ไปพิจารณาอาหารไปไปตากอาหารใส่บายตร เรากลับมานั่งที่ที่ที่จอใยสังขทานเนั่งที่ศาลาทัานพระอาจารย์นันไม่นั่งนะคะท่านรับเสร็จท่านก็ไปเลยค่ะไปไหนไม่ทราบค่ะไม่ได้ฉันที่ไม่ค่ะพระอาจารย์นันเราไม่เห็นท่านฉันที่นี่ไม่แต่พระฤๅษีท่านมีบาทของท่านอยู่และมีอาหารอยู่ฤกษ์ศิษย์เอามาวางแต่ว่าท่านไม่ได้นั่งฉันเริ่มนั่งฉันเริ่มนั่งนั่งันเราไปทานอาหารตะมลองเสร็จแล้วพอเราทานอาหารเสร็จถ้าเรายังอยู่เราก็ไป ไปไปช่วยไปพูดกับท่านได้ไปถามได้ท่านก็จะนั่งคอยมีโต๊ะนั่งมีเก้าอี้นั่งท่านก็จะนั่งเกลือญาติโยมจะไปถามสักถามอะไรเจ้าค่ะอตอนเช้าหลังจากที่ฉันอาหารเสร็จแล้วเจ้าค่ะคือพอพาท่านไปตักอาหารมาท่านก็กลับมานั่งที่รับสังฆท า, านนั่นลเลยแล้วก็ญาติโยมก็ท่านก็จะตีะระฆังให้ พญาโยบอกจากสมาธิจ้ะค่ะตอนที่พาไปตอนที่ตอนต้นไปญาติโยเอาสังฆทานไปถวายจ้ะค่ะเสร็จแล้วท่านก็รับสังฆทานจ้ะค่ะให้พรเลยหรือเปล่าหรือยังให้พรด้วยจ้ะค่ะย่าถาด้วยจะ้ ะ, ะให้พรเสร็จแล้วท่านจึงไปตากอาหารจ้ะค่ะแล้วท่านก็เปิดเทปให้เราเอ่สวดมนต์ แต่เราสวดมนต์ที่ทอยสังฆทานอาแล้วตัวพระท่านก็ไปเอาอาหารแล้วกลับมาที่เดิมเมื่อท่านไปกลับมาที่เดิมเจ้าค่ะ ท, ที่ยอดโยมกำลังนั่งสวดมนต์กันอยู่นั่นแหละทำาาว่าเช้าอยู่เลยนแะท่านก็กลับมานั่งกลับ ม, มาฉันที่ตรงนั้นอเอพอท่านจะฉันท่านก็ให้เราไปตัก อ, อาหารแล้วยอดโยมก็รับประทานที่ ที่ตรงที่ตักอาหารแล้วพอพอทานเสร็จแล้วก็ก็กลับไปหาท่านที่เดิมเลยจะค่ะคืจะมีเป็นบางคนก็กลับนาะเป็นลานบางคนก็ของเราไม่ได้กลับทานเสร็จแล้วก็มาท่านท่านจะนั่งรับแขกตรงที่รับถวร์อัสังฆทานเลยจะค่ะใกล้ๆจะมีโต๊ะนั่งอยู่จะค่ะ ตอนนั้นไม่ใช่เป็นโบสใช่ไหมก็มีโบสถ์โบสถ์ไม่ได้ใช้ใช้วันโบสไม่เคยอยู่เลยเจ้าค่ะคุณจังอยู่โบสใช้ตอนเวลาปฏิบัติกันคืนนะคะพระสอนนั่รมาธิแต่ตอนเช้ามืดทำวัดช้าวัดเย็นทำวัดเย็นที่โบสถ์แต่ทำวัเย็นที่โบนือสร้ขอ ท่านสร้างใจดีเจ้าค่ะอาจารย์นี้ค่อยสบายแล้วหลายวันนี้มคะก็เป็นมาสองสามวันสี่าทน้ำอุ่นไหมค่ะเออก็มีอะไรก็ทานไปทามีทางเกิดเดี๋ยวมันก็หายมันไม่ชอบล้วหรอกเราก็ไม่ชอบมันเดี๋ยวมันก็ไปแล้วั่นแหะ นานๆมันคิดถึงเรามันก็มาเยี่ยมหรอกทีโอเคม่าเป็นญาติพี่น้องมาเยี่ยมเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากให้ญาติพี่น้องมาเยี่ยมนีแต่ก็เป็นญาติพี่น้องกันไปห้ามเขาก็ไม่ได้เขาคิดถึงเราเขาก็มาหาเราเขามาแล้วก็ตอนรับเขาไปตามอัธยาศัยอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเวดเดี๋ยวสักพักก็เดี๋ยวเขาก็ไป รูปายใกล้เจ็บมันงเงเหมือนญาติพี่น้องเขามาก็ปล่อยเข้ามาเขาไปก็ปล่อยเขาไปอาจารย์ครับวิธีที่จะดูแลจิตให้แบบบริสุทธิ์และมีพลังทำยังไงบ้างคะก็เรี่ยเราต้องฝึกสติไปทั้งวันพุทโธพุทโธไปทั้งวันก่อน เพราะพุโทโธนี้จะไปควบคุมความคิดได้ความคิดนี้เป็นตัวที่จะทำให้จิตไม่บริสุทธิ์เพาเราชอบคิดไปในทางที่ไม่ดีกันถ้าเราหยุดมันได้มันก็จะไม่สามารถไปสร้างความสงปกให้กับใจเราได้เน้นเราต้องมีเครื่องควบคุมความคิดกรควบคุมความคิดก็เรียกว่าสติวิธีมีสติก็มีอยู่หลากหลาย สีบวิธีด้วยกันวิธีที่ง่ายที่สุดที่ครูบาอาจารย์นํามาสอนพวกเราก็คือพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปทุกโธไปทั้งวันได้ไหมตื่นขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยแทนที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดแต่พุโทโธแล้วขณะที่เราทําการงานนะคะก็พุโทโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้พุโทโธไปแล้วขณะที่เราใช้ความคิดก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วค่ะถ้าเป็นความคิดเกี่ยวกับการงานมันไม่จะเป็นความคิดที่เสียหาย ก็ปล่อยมันคิดไปหมายความว่าตัดอ่าความคิดที่เสียหายควบคุมด้วยการที่กลับมาที่พุทโธถ้ารู้สึกว่าเราเริ่มคิดไม่ดีใช่ไหมก็อย่าว่าว่าไม่ดีเลยบางทีเราไม่รู้ว่าไม่ดีความคิดของเราเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นมันไม่ดีแต่เราคิดว่ามันดีอคิดโลภนี่มันก็ไม่ไม่ดีแต่เราคิดว่ามันดีคิดหาเงินมากๆคิดหา เราก็คิดว่ามันดีแต่ทางของพุทธศาสน า, าไม่ดีเพราะมันโลกว่าเดี๋ยวมันก็ทำให้ไปคิดทำบาปได้เดียวยวไปโกงบ้างไปขมโมยบ้างหรือไปทำอาชีพที่ไม่ไมชอบฉันหยุดการคิดให้ได้ก่อนเกี่ยวกับการขายประกันแล้วจะขาย <laughs> รรเราเราไม่รู้เหรอความคิดของเรานี่มันเก้าสเก้าปอร์ซ็นไม่ดีนัะ <c oughs> คิดหาเงินพอมีเงินเราคิดใช้เงินคิดซื้อหนุ่นคิดซื้อนี่น ค, นคิดไปกินนุ่นกินนี่ดูนู่น <c oughs> ดูน <c oughs> ี่ก <c oughs> ินนี่ก็ไม่ดีนะคะนี่ไม่ดีทั้งนั้นอ่ะความคิดหลังนี้ไม่ดีนะหยุดมันก็หยุดมันให้ได้ก่อนอีกหนึ่งซที่คิดดีเหรอพ่อตัวอย่างเนี่ยมาทําบุญไงนานๆเ น, นี่ยคิดสักทีนึ่ง วันนี้คิดมาทำบุญคิดรักษาศีลคิดภาวนาอย่างเงี้ยดีแต่ไม่ค่อยคิดกันคิดแต่จะหาเงินคิดแต่จะซื้อของต่างๆคิดอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะมีหน้ามีตาอยากจะสร้างบ้านร้อยแปดีปาถะการพิจิรณาเนั่นมันทำให้เราเศร้าหมองเพราะว่าเวลาทำแล้วมันก็วุ่นวาย ตึงเครียดเวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาได้มาแล้วเสียก็เสียใจนี่แต่เรื่องที่ทําให้จิตใจเราไม่สงบไม่สะอาดมนต้ออยากจะให้ใจเราตายก็ต้องหยุดความคิดเสียใหรู้เฉยๆแล้วเราจะกลไปถึงคนแบบเรื่อยๆดูสิคะแล้วก็เป็นผ้าหลาะเนี่ยผ้าหลานท่นก็เรื่อยๆแต่ว่าในทางโลกเนี่ยถ้าเราเป็น เป็นคนทํางานคนทํางานก็มีหลายประเภทคนทํางานคุณทางโลกคุณก็อย่ามาอย่ามาพูดทางธรรมเลยเป็นคนเรื่อมนะเราพูดทางโลกคุณมาถามทางธรรมล้วก็บอกทางธรรมแล้วคุณอยากจะไปทางโลกมันก็ไม่ไม่ต้องมาถามมันไม่ได้เป็นคนระทางอันเป็นคนระทางกันอ่ะปัญญายังพ่อห้าลูกตัดสินใจออกจากโลกตอนนี้จริงๆเลยไม่ไม่เอาโลกนะคะ อยากทายทางโลกก็ไม่ต้องมาทางธรรมถ้าอยากจะมาทางธรรมก็ต้องทิ้งทางโลกพ่อเป็นคนแรกที่ว่านี้หนูกลับดูกับมีความคิดว่าเราสามารถใช้ธรรมะอืเพื่อเราดำเนินชีวิตในทางโลกได้ได้มาได้ไม่หลุจริงๆคือได้ในระดับหนึ่งแต่เป็นเป็นเป็นเพียงขั้นเริ่มต้น ก็เนี่ยแต่เป้าหมายที่แท้จริงให้เราทิ้งโลกไปเพราะทางโลกมันเป็นทางของความทุกข์ถ้าหวังแค่โสดาบาลัลเราจะผ่านไม่ต้องหวังหรอกมันถ้าเราปฏิบัติแล้วมันต้องไปถึงนิพพานเท่า น, นั้น <Okay. S 1> หวังไม่หวังมันก็ไปนิพพานเท่าั้นแต่ว่าจิตเราคิดว่าเราไม่คู่ควรเพื่อจะคิดเป้าหมายใหญ่ก็หยุดมันเถอความคิดนั้นไม่ดีก็อย่าไปคิดเลย ไม่ทำไมเพากา ร, รปฏิบัติของเราเราไม่ได้ก็เหมือนกันอะทุกคนเวลาเรียนอนุบาลใครอยากจะไปจบปริญญาเอกกันบ้างเป็นความคิดที่ไม่ดีคิดอย่างนั้นเอี่ยหมอความคิดไม่ดีเวลาเรียนอนุบาลก็เรียนไปสิไม่ต้องไปคิดว่าหนูจะเรียนแค่ป .4 ก็พอเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงป .4 มันก็ขึ้นป .5 ได้เองอพอเป็นโสดาบันได้มันก็เป็นสกิดาธามีได้เนี่ยมันก็ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นของมันะ ตามใดที่มีการปฏิบัติอยู่มันก็จะดันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับขับรถ่ะขับไปเรื่อยๆเติมน้ำมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงจุดหมายปลายทางอย่างเีองอันนี้เป็นความคิดไม่ดีทั้งนั้นคิดที่จะตัดไม่ให้เราไปกันเข้าใจไหมกิเลสมันจะหลอกให้เราติดอยู่ทางโลกกันมันก็จะคิดโอ้ยเราไหวอาภัพมาสนาชาตนี้ไม่มีโอกาสพระชาตินี้ไม่มีโอกาสแล้วเมื่อไหร่จะมีแล้ว แล้วพ่อเชื่อเชื่อในคำว่ดิสินีไหมค ะ, ะคิดว่าคำว่าดิสซินดีนคืออะไระคะอ๋อชะตากรรมอันนี้เป็นความเชื่อของคนที่ง้อเขาเบาปัญญาอเขานะคะ อ, อคะคนที่่อนที่มีปัญญาหัวไมนเรื่องของกรรมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเดส t ินี Disney นะคะเดสตินีหมายถึงทุกอย่างกำหนดตายตัวแล้วเราจะต้องไปเป็นอย่างนั้ น, นะะเป็นอย่างนี้ง้อเขานะคะ ใช่เพราะขณะพระพุทธเจ้าก็ยังไม่กําหนดเลยว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นมหาจากักรพรรดิใช่ไหมก็แ ล, <อ>แล้วองของพระเจ้าที่คือมีการพยากรณ์เนี่เราเราพี่ว่าอันนี้คื อ, กกอคือแฟกต์ก็่านคือก็ก็าบอมันเป็นไปสองทางนในลักษณะของคนคนนี้เหมือนกับโยมได้มเมล็ดเมล็ดเล็ดผ ล, ลไม้มามเมล็ดอย่างนี้เราบอกอ๋ออันนี้ถ้าไปปลูกไว้เนี่ยมันจะต้องโตใหญ่ อันนี้แบบนี้ปลูกแล้วมันจะไม่ใหญให่ก็มันก็ดูจากปัจจุบันเขาก็ดูจาก อ, อลักษณะของพระทารกทารกแบบนี้หน้าตาแบบนี้อะไรแบบนี้มันเป็นปังด้วยบารมีอะไรต่างๆเขาก็สามารถที่จะทํานายทายทักได้แต่จะไปเป็นหรือไม่นั่นก็อยู่ที่ทารกคนนี้อ<ช>เองแหละเออมันก็ไม่ใช่เฉพาะคำ forecast อย่างเงี้ยไม่ใช่ อ, อ, อ, อ, ใชอ้นี่ก็ มันก็ไม่ตายตัวเขาถึงเขาถึงไม่กล้าบอกว่าจะเป็นมหาจากาักรพรรดิหรือจะเป็นพระพุทธเจ้าออแต่มันมีแนวทางว่าจะเป็นไปได้อย่างใดอย่างหนึง่ง อ, อแต่มีองค์เดียวมีคนเดียวที่ทำนายว่าต้องเป็นพระพุทธเจ้า่าอ อ, อแต่ก็ไม่แน่แม้ว่าจะเป็นที่มั น, ม, นมันพอดีมันไปมันไปทำนายแล้วมันตองกันเปรีย้ยเท่านี้บางเออเหรอคะเจ้าคะเออมันก็เป็นเรื่องของของการค า, าดคะเเหมือน พยากรณ์อากาศเพราบอกลักษณะอากาศวันนี้มีฝนตก60เอร์เซ็นตนี้ดีไม่ดีไม่ไม่ตกเลย60เปอร์เซ็นบางวันเห็นบางวันก็ตกมันเรื่องของอนาคตมันไม่มีใครที่จะไปกําหนดตายตัวได้มันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อยากจะกําหนดอนาคตก็ต้องกำหนดอนาคตของเราจากป<ช>ัจ<อ>จุบันกลับไปอดีตสิ เช่นในตอดีตเราบอกว่าเนี่ยเราโตขึ้นอายุแค่นี้เราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไมเราโยมโย้อนกลับไปสมมุติโยมย้อนกลับไปตอนนี้โยมเป็นเด็กอายุสิบขวบเนี่ยแล้วมองอนาคตของโยมตออายุนี้ว่าโยมจะเป็นไงโ mm hmm. ยมก็บอกได้ว่าจะเป็นอย่างนี้นหละ mm hmm. เพราะมันเป็นแล้วใช่ไหมแต่พรุ่งนี้มันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าจะรู้ไหมพรุ่งนี้จะอยู่จะตายจะรู้หรือเป ไปคุยกับเพื่อนแสดงพิธีเข้าปฏิบัติอยู่แล้วก็เขาจุดหนึ่งแต่เขาก็จริงจังแต่เขาทอ้อทงชยัยต้องเคยกัหลายชาติงี้ยาดวงคงจะไม่มันคือแต่เอ๊ะมันมันเป็นมันไม่โทษ ด, ด, ด, ดวงโทษดวงมันความจริงมันเรื่องของความขี้เกียจนะงนั้นเลยเมันความข<ม>ี้เกียจความโลภอยากอยู่อยากเล่าอยากรวย<ม>อยากอยู่สุขอยู่สบายพอให้ไปอยู่แบบทุกยากลําบากให้ให้ตัดทุกอย่างมันก็ ทำไม่ได้มันก็บ่นว่าเป็นว่าต้ออกไปเป็นที่เป็นชะตากรรมก็คงไม่สำไม่ได้ไม่สําเร็จมันอยู่ที่ตัวเองแหละอยู่ที่คุณน้งดิสี่โง่เขานะคะให้เขาจำเคืออดีตมันก็มีส่วนทําให้เราเป็นปัจจุบันเข้าใจไหมแล้วปัจจุบันนี้ก็จะมีส่วนทําให้เราเป็นอนาคตได้เช่นอดีตเราชอบขี้เกียจมันก็ทําให้เราติดนิสัยขี้เกียจมาใน ในปัจจุบันนี้แต่ถ้าปัจจุบันนี้เราแก้วความขี้เกียจ ด, ด้วยความข ย, ยันอนาคตเราก็จะกลายเป็นคนขยันไปมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมมันเป็นเหตุเป็นผลกันอดีตเป็นเหตุของปัจจุบันปัจจุบันเป็นผลของอดีตแล้วปัจจุบันก็เป็นเหตุของอนาคตอยากจะให้อนาคตเป็นอะไรก็ต้องทําในปัจจุบันนี้อยากจะเรียนจบมหาลัยก็ต้องไปเรียนหนังสือตั้งแต่วันนี้ ใช่ไหมเรียนไปเรื่อยเื่อยเดี๋ยวมันก็จบเองมาอนาคตมันก็ได้ประเด็นญญาแล้วแต่ถ้ามไม่ไปเรียนบางค น, นชอบพูดว่าเป็นกรรมเก่าก็ไปฟังว่าทำไมไม่ฟังว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอมันอยู่ที่กรรมกรรมใหม่กรรมเก่ากรรมปัจจุบันนี้แหละกรรมเก่ามันก็เป็นเพียงแต่ส่งมาให้เราถึงจุดจุดนี้แต่จุดนี้เราก็ต้องใช้กรรมปัจจุบันนี้ส่งให้ต่อไปถึงอนาคตนี ะประมาณว่ากำตัดร่อนอะไรนี่ป้าคือคือน้องน้องชายเป็นพี่ชายน้องเขาที่แล้วมากราบหลวงพ่อแล้วเขาประทับใจหลวงพ่อมากเลยแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนเขาก็ตอนนี้เส้นแตกแล้วก็เป็นพารายสอยู่ที่โรงพยาบาลก็เลยเขาถ้าเขาอยู่นะ่ะคงจะพามาหาหลวงพ่อได้ไบ่อยแต่ตอนนี้เขาโอกาสนั้นคงจะค่อนข้างยากก็เลยเออันนี้คือ มันก็กรรมเก่าเขาหรือเปล่าใครมันก็กรรมที่เกิดมันจะมาเกิดนี่แหละมาเกิดแล้วมันก็ต้องมาแก่ไม่ใช่เลยแต่ว่ากรรมเก่าหรือกรรมใหม่มันก็เป็นเป็นด้วยกันทุกคนแหละมีใครไม่เป็นบ้างเกิดมาแล้วมีใครไม่เจ็บไข้ได้ป่วยบ้างไ อ, อ, อ้ทามิ่งมันมันไม่รูโอ้ยอย่าไปนสนใจเลยไปเสียเวลา <c oughs> ไอ้คิดเรื่องไร้าสาระเหล่านี้ คิดว่วิธีทำไงอยากรรมบมาเกิดดีกว่า อ, อ, อ, า อ, อไปคิดเรื่องไ ร, ร้สาละให้มันเสียเวลาทําไมต้องมาเป็นตอนนี้ เ, เป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็ให้รู้ว่ามันเป็นเกิดมาทุกคนมันต้องเป็นด้วยกันทั้งนั้ น, เ, นเป็นช้าเป็นเร็วเป็นพี่ชายนอนอยู่อย่างนี้ใ่ค่ะฟังรู้เรื่องอย่างนี้ ก็บอกให้พี่เนี่ยภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่างนี้พี่ก็ได้ปฏิบัติใช่ไหมเจ้าคะก็ถ้าเขาปฏิบัติก็ได้ถ้าเขาไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ก็อยู่ที่เขาแหละเราก็เหมือนกันเนี่ยเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้เราไปบอกให้เขาปฏิบัติแต่เราไม่ปฏิบัติเองเราก็ไม่ได้ทำไมเราไม่ปฏิบัติเองไม่บอกให้คนอื่นก็ปฏิบัติทำไมเราปฏิบัติได้เ่าเห็น เห็นเ้านอนอยู่มีเวลาว่างก็ได้มีโอกาสปฏิบัติจะได้อย่างนั้นไปใช่แล้วปฏิบัตินิยมในคนอื่นอหมดแต่ตัวเองไม่ว่างปฏิบัติไม่ได้นั่นแหละเห็นเ้านอนอยู่ก็สบายมีเวลาก็ได้ปฏิบัติอะที่ปฏิบัติไม่ที่ปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติมันไม่ดีที่ว่างไม่ว่างมันอยู่ที่มันไม่มันอยากแล้วไม่อยากปฏิบัติ มันไม่อยากปฏิบัติต้ามมันว่างมันก็ไม่ปฏิบัติไม่มีเวลาได้นั่งค่ะเจ้าค่ะแต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะไปไหนมาไหนทาอะไรก็พยายามมีสติปฏิบัติอยู่ในเวลาที่เดินนั่งยืนนอนแล้วก็พยายามที่จะไม่ประพฤติศีือย่างเงี้ยก็ดีทุกครั้งตลอดเวลาเแล้วดีไหม ก็ทีเจ้าะอย่างนี้เรียกปฏิบัติไหมเจ้าค่ะก็ปฏิบัติเนี่ยสติศินก็เป็นปรักษษาศินสติก eh> ็สติไปแต่ยังไม่ถึงสมาธิใช่ไหมสมาธิก็ได้บางวันอเจ้าค่ะนอนได้ได้นอนถ้านอนก็ไม่ใช่สมาธินั่งเจ้าค่ะตอนคืนบางทีกลาวันก็ปิดม่านแล้วก็นั่งเจ้าค่ะออแล้วก็มีเทศพระอาจารย์ทุกวันฟังทุกวันเจ้าค่ะ แต่วมันสงบไหมอ่ะสงบจ้ะสงบแบบนั้เสียงกุ๊กคิกุ๊กคมาขออยู่เรื่อยๆจะปะสงบแบบนั้นก็ไม่ดีแล้วตอนมันต้องสงบแบบไม่มีเสียงอ๋อเขามาขอเราก็อุทิเปให้แล้วเราก็นั่งต่อจะปะอ๋อเราอย่าไปสนใจเราต้องไม่สนใจเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเลยพอมีเสียงมาก็จะอุทิเให้เขาละจิบจิตสุงออกได้ไหมเออ ออไม่ต้องอุทิศ่ะวะไม่ต้องอุทิศหรอกเขาไม่ได้ขอเท่าไหน่ไปอยู่ๆก็มาใครมา ป, ป, ป, ป, ปุ๊บก็อุทิศให้อุทิศให้ใครเขาขอมาสิว่าพี่ส่งบุญมาให้หน่อยเขาจะขอเขาจะอ็เ <c oughs> ขาก็พูดได้ ถ, ถ้าเขาเป็นของถ้าเขาเป็นของที่พูดได้เขาก็พูดถ้ามันเป็นของพูดใบไม้แกว่งใบแกว่งมาแล้วไปอุทิศให้ใบไม้ทำไม กิ่งม้งกิ่งไม้มันไปกัดแฝงไปถูกหลังคาส่งเสียงดังกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแล้วก็อุทิศอะไรมัมก็จิตจะไปรุ่งเองอมันมีร้อยแปดเลยทําให้เราไม่ไม่ไม่สงบเลยมือแต่มาเนี่ยมาอุทิศมาอะไรกับเรื่องราว ต, ต่างการนั่งสมาธิมันต้องจิตไม่ต้องยุ่งกับอะไรเลยให้อยู่กับเรื่องเดียว อยู่กุอยู่ก็พูดโทรไปอย่างเดียวเออเพราะบางองค์ท่านบอกว่าให้อุทิศไปให้จ้นั่นแหละไม่อยู่ศึกษากันหลายองค์เลยมีปารมาจานหลายองค์เหมือนกันเลยเ อ, อและมารคืออะไรเจ้าตพนนี้แหละไอ้ตัวที่มาหลอกเราเนี่ยมารเท่านั้นแหละตัวที่หลอกเราเนี่ยคือพญามารและที่บอกว่ามีกองทัพมารขึ้นมา ก็เนี่ยแหละมันมาทำมาขัดขวางไม่ให้ใจเราสงบเนี่ยใจเราไม่เข้าสมาธิก็เพราะอันเนี้ยมันส่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมาให้เราละพอส่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมาเราก็ล้มละเนลละหนาตาละพุทธโธหายไปละมานั่งอุทิศบุญให้เขาละอโดยไม่มีสาเหตุเลยอยู่ๆก็ไลยอุทิศบุญละเพราะไปฟังมาจากอาจารย์รูปหนึ่งว่าให้อุทิศบุญมันก็เลยไปอย่างเนี้อยออย่างเจ้ากังในเวน ก็เรื่องของเขาเลยตอนนี้คุณไปทาอะไรเขาเปล่าล่ะทำไมต้องมายุ่งทำไมต้องมากังวลกับตอนเวลานั่งเวลาอื่นเห็นต่างกงฮะเป็นกรรมที่เขามาเกี่ยวพันกับเราอก็เรื่องของเขาเกี่ยวก็เกี่ยวไปอห้างก็ได้ไงก็อย่างที่บอกอะเขาจะมาก็ปล่อยเขามาเขาจะไปมหยุดแล้วค่ะไม่มีวิธีหยุด้วค่ะคุณไปสร้างเวรแล้วมันให้มันหยุดได้ไงคุณยังจะหยุดเวรก็หยุดสร้างเอาไม่ไม่าหมายในค้ามคนเราอาจจะมีกรรมลนอดีตชาติก็หละ ก็อย่างมันมาสร้างไปแล้วมันจะไปหยุดมันได้ไงปลูกต้นไม้แล้วจะไปห้ามมันไม่ออกดอกออกุณได้ไงคุณไม่อยากให้มันออกดอกผลคุณอย่าไปปลูกต้นใหม่เลเดี๋ยวต้นเก่าตายไปมันก็หมดชัดเจนใช่ไหมเวนเก่ามันกรรมเก่าทำไปแล้วมันก็ต้องรับผลของกรรมเก่าไปอย่าไปสร้างกรรมใหม่ก็หมดเรื่องเดี๋ยวเมื่อไม่มีกรรมใหม่มันก็ไม่มีไม่มี ผลใหม่ตามมาอย่าไปปลูกต้นใหม่ต้นเก่าสักวันก็ตายไปออนอคะต้นใหม่ตายต้นเก่าตายไปมันก็ไม่มีดอกผลออกให้เราแนละ้วสอนให้ทําแต่บุญทำแต่ความดีรอดอกผลมันดีผลดอกเบี้ยนในธนาคารเนี่ยเอาไปฝากสิฝากเงินเท่าไหร่ดอกมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆลองไปกู้ดูเลยกู้นี้นย ดอกกู้มันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ อ, อ, อย่าไปกู้อย่าไปกู้เงินไปฝากเงนินเข้าใจั้มบาปนี้ก็เหมือนไปกู้เงินไว้เดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องมาใช้นี่บุญก็เหมือนเงา เ, เงินไปฝากไว้เดี๋ยวก็บุญก็หล่นทับเราเองอยู่ๆดีๆก็ได้เป็นคุณหญิงคุณนายขึ้นมาโดยไม่มรู้ตัว อ, <c oughs> <c oughs> อจริงๆมันอยู่ตรงนั้นแหละ ผลตรงๆ ง, ง่ายๆพวกเราชอบคลิกให้มันกลายเป็นของยุ่งยากไปเองคิดกันไปร้อยแปดพันประการพระพาพูดง่ายๆมันอยู่ที่การกระทําของเราสามตัวเนี่ยกายวาจาใจเนี่ยคิดดีพูดดีทดําดีก็เรียกว่าบุญนะคราวนี้ยคิดดีพูดดีทําดีจึงมาที่นี่นะคิดก็คิดเก่าว่าพรุ่งนี้จะมาเมื่อวานนี้ก็คิดแล้พวพรุ่งนี้จะไปวัด พูดก็เลยโทรชวนเงินบอกกเพื่อนกันว่า<ม>พรุ่งนี้มาวัด ก, กันไหมเก็พูดดีนะทำดีก็ผลข้าผลของขอบลดไปที่วัดใส่บาตรไหว้พระสวดมนต์เนี่ยดีแคนั้นดีแล้วดีไหมเออแล้วมันมีผลเสียตามมาไม่มีมีใครจะมาตามด่าเรามาตามว่าเราไนหะถ้าคิดไม่ดวีวันนี้เดี๋ยวจะไปด่าคนนั้นน่หน่อยไปหาเรื่องกับคนนั่นนั่นหน่อย ไปฟ้องร้องกันพาขึ้นศาลกันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปขึ้นศาลกันเขาก็ฟ้องเรากับเราฟ้องเขาได้เขาก็ฟ้องเรากลั บ, ไ, ลบไปตุกผูกความกันนัวนี้ไปหมดยอย่าไปมีเรื่องกับใครอโหสิกรรมก็ใหญ่ไหมใครก็ทําร้ายเราก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าที่เราต้องใช้กันแล้วกันอเ่าอย่าไปสร้างเราอย่าไปอย่าอย่าไปสร้างกรรมใหม่ด้วยการไปทําร้ายเขากลับอ ทำลายเขากลับก็ไปสร้างกรรมใหม่ขึ้นเอกเดี๋ยวเข้ต้องกลับมาทำร้ายเราอีกมันก็ไม่มีวันสิ้นสุดอ่านนี้พวกเวรไม่รั ง, งับด้วยการจองเวรเวรย่อมลั ง, งับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้นงนั้นเตรียมรับเวรไว้เถิดเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยสร้างไว้เดี๋ยวมันก็มาหาเราอ่ะเดี๋ยวมันมาแล้วมันก็ไปเดี๋ยวมันก็หมด หมืแล้ามันก็จะไม่มีมาหาเราอีกแล้วทีนี้ถ้าแบบในทางโลกอะค่ะทางโลกอีกแล้วเราต้องถามอย่างนี้เพราะว่าเรายังอยู่ทางโลกนะคะ เ, เรายังไม่ได้มาอยู่วัดเรายังไม่ได้อันนี้คือเราถามในสิ่งที่เราต้องใช้ในความเปจริงคะ่ะอาจ า, ารย์สมมติว่ามีคนปฏิบัติไม่ดีกับเราในทางโลกที่เราต้องอยู่เนี่ยเราควรทำยังไงคะเช่น ก็ให้เขากระทำแต่เขอยากกระทําอะไรก็จะทําไปหรือเราควรจะเอาความถูกต้องบอบว่าชนกับเขาหรือยังไงคะเราควรจะยังไงคะความถูกต้องความถูกต้องคือความถูกใจหรือเปล่ามันมีความถูกต้องสองแบบถูกต้องแบบถูกทํากับถูกใจเราจะแบบไหนความหมนี้ก็ไม่ได้หมายถึงถูกใจคะคืออย่างนี้ถ้าถูกถูกทําก็ต้องปล่อยเข้าไป เรื่องของเขาสอนว่าบางทีเนี่ยคนดีทอแท้หรือคนดีไม่กล้าที่จะยังไม่ดีจริงถ้าดีจริงก็ไม่ท้อแท้หรอกไม่เข้าหมายคือหมายของว่อควรจะอะไรที่ไม่ถูกต้งเลย่ะก็เรื่องอปล่อยผ่านนี้อาจารย์ก็การปล่อยปล่อยให้มันผ่านนี่เราถูกต้องที่สุดแล้วละเอเอเนี่ะ ยกตัวอย่างเช่นสมมตินะคะอันน<ล>ี้สมมติไม่ไม่ได้เหตุการณ์จริงสมมุติว่าเราเห็นคนคนหนึ่งขโมยเงิน แ, แล้วเราเห็นอีกคนหนึ่งเนี้ยมีความทุกข์แล้วเรารู้ว่าใครเป็นคนขโมยเราควรจะบอกไหมคะหรือเราเราต้องเฉยไปเลยก็ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เออลองอเคะอือ เราไปบอกเขาไอคนที่ขโมยเงินมันก็โกรธเรามันก็เป็นเวรนึ็นกรรมเราเปาเหมือนเราดูดายวะอาจารย์ก็ก็มันคิดอย่างนั้นเองเหอความจริงไม่ดูดายมันมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่คุณไม่เห็นนคุณเวลาคุณไม่เห็นเหตุการณ์กลายเป็นไม่ดูดายไปเลยอย่างตอนนี้มีคนฆ่ากันคุณไม่เห็นคุณก็ไม่ต้องพูดอะไรไม่ใช่หรอมันไม่ดูดายหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกันหละมันเราไปคิดมันเองนั่นเองมันไม่ดูว่าสันทั้งหลายอยู่ด้วยกันด้วยกรรม เป็นตายด้วยกรรมเขาเป็นอะไรก็เป็นกรรมของเขาทัาง น, นั้นแหละมันก็จบยิ่งอาจารย์สอนเนี่ยทำให้เราฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันกลับกับทางโงลงงงงโงกจริงๆ น, นะคะทางทําก <c oughs> ับทางโลกมันกลับกันดีๆนะคะก็ด้านๆมันอยู่คนละด้านกั่ไงอาจารย์คะถ้าอย่างเราจะตรวจสอบได้ยังไงนะคะ ว, ว่าวิธีคิดของเราเนี่ยถูกต้องไหมกับทางธรรมที่ควรจะเป็นเราจะตรวจสอบได้ยังไงคะ ก็ทางทำสอนง่ายๆให้ทําบุญไม่ให้ทําบาปเลยก็ให้ทําดีไม่ให้ทาําชั่วก็เห mm ็น hmm. นี้เองให้คิดดีพูดดีทดําดีไม่ให้คิดชั่วทําชั่วพูดชั่ว mm hmm. ก็วิธีว่าง่ายๆก็สีหน้านี่ก็การเป็นการกระทําความชั่วอย่าไปทําโดยเด็ดขาดทําแต่ความดี ทำแล้วให้คนหนึ่ยเขามีความสุขแต่ไม่มีไม่มีโทษกับใครทาให้คนนี้มีความสุขแล้วทาให้เกิดโทษกับคนนี้ก็ไม่ใช่ความดีนะเพราะว่ามันก็เป็นการให้ทุกข์กับคนนี้แล้วก็ให้สุขกับคนนั้นถ้าอย่างนี้นก็อย่าไปทำเฉยๆซะถ้าทำดีแล้วเกิดโทษก็อย่าไปทำเข้าใจไอมแต่ความ แต่บางนี้ไม่ทำโดยเด็ดขาดเพราะทําแล้วมันเกิดโทษทันทีเกิดเกิดโทษทั้งกับคนถูกทําและคนทําเองแต่การทําความดีนี้มันบางทีทําแล้วมันอาจจะเกิดประโยชน์กับบางคนเกิดโทษกับบางคนคุอาจารย์เนี่ยนะคะผู้วิพากษสาวหรืทนายความตํารวจก็ต้องอยู่ในงานี่เป็นอย่างนั้นก็อยู่ในโลกนี้มันก็ต้องเจออย่างนี้ทั้งนั้นแหละถึงบอกถึงต้องออกบวชกันไงถึงออกมาจากทางโลกแต่ มันจะได้หมดกรรมกันถ้ายอยู่มันอยู่ในโลกมันก็ต้องทํากรรมต่อกันแหะนหนักหรือเบามากหรือน้อยเท่านเองกับพระพุทธเจ้าท่านก็ยังมีเกรนกล่าวตามมาในขณะเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังมีท้าะเทวท่านยังจะมาพยายามรอบทําร้ายมีคนตูห่หาว่าพระพุทธเจ้าไปทําให้เ้าท้อง มีอะไรจีปาท ะ, ะเหตุการณ์ต่างๆท่านก็เฉยเ ท, ท่านั้นให้เรรับรู้ไปบางบ้างก็แค่ตายให้คิดแค่นั้นก็จบถ้าเราแล้วถึงความต้อยบ่อยๆแล้วเราจะไม่ค่อยหวนไไวกับให้เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราหรอกเพราะมันก็แค่ตายท่านนั่นแหละไม่เกิดมันก็ตายเหมือนกันไม่ใช่เหรอเหตุการณ์อะไรไม่เกิดมันก็ตายเหมือนกัน ท่านถึงสอนให้คิดอย่างนี้ถ้าเขาไม่ชอบเราเขาให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าแล้วก็คิดดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีแล้วก็ดีแล้วยังไม่ฆ่าเราแล้าเขาฆ่าแล้วก็กออกดีแล้วเกิดมามันก็ต้องตายไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายพรุ่ง น, นี้อยู่ไปก็ทุกข์เปล่าๆอยู่ไปก็ทุกข์กับเนื่องการอยู่การตายอยู่ดีนะี่แหละใช่ไหม แต่ถ้ามันคิดอย่างนี้แล้วมันจะอยู่อย่างเป็นสุขมันจะไม่ทุกข์กับอะไรมันจะไม่กลัววิบากกรรมวิบากกรรมอะไรแล้วมันก็ไม่ไปทําอะไรพอแล้วปล่อยให้เขาทํากรรมกันไปใครขโมยใครไปฆ่าคนนั้นคนนี้เราเห็นแล้วก็ทํำเฉยๆไปก็แล้วกันไม่ใช่ยงเรื่องของเรา <c oughs> ทำไมต้องไปเป็นเจ้ากี้เจ้า ก, การเป็นนักสื่อเป็นอะไรไปใช่ไหมก็อาารย์ครับถ้าอย่างนั้นถ้าเราต้องการที่จะพัฒนายกระดับเราในด้านทางธรรมเนี่ยหมายความว่าถ้าเราอยู่ทางโลกเนี่ยจะเป็นไปได้ยากมากเ อ, อ, อย่าอนีรับ เ, เ, เ, เขาจึงก็ต้องไปอยู่วัดกันเนี่ยคนที่เป็นพระหลานนี่ก็ไปอยู่วัดกันทั้งนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์นี่เราไปกราบที่ วัดมาาจันวัดนูน่นวัดนี่ที่เราคิดว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์เนี่ย ท, ท่านอยู่ในโลกหรือเปล่าท่านเป็นผู้ไปพากษาเป็นนายกเป็นอะไรหรือเปล่าท่านก็เป็นพระทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นพระราชาโอรสท่านยังต้องไปอยู่ในป่าในเขาเลยถ้าไม่ง้ท่านก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า ถ้าก็จะเป็นพระมหาจากักรพรรดิแต่ก็ไปสร้างเวทสร้างกรรมกันอีกไม่รู้เท่าไหร่มหาจากักรพรรดินี่ต้องทำสองสองครามเนี่ยอินเดียในสมัยนั้นมันมีเท่าไหร่สิบเก้าแคว้นยังไงเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ท่านจะสามารถที่จะรวมสิบเก้าแคว้นนี้มาเป็นอันเดียวได้แต่คิดดูการจะมารวมเขาเขก็ต้องคนที่เขาไม่ไม่ยอมรวมเขาก็ต้องสู้ใช่ไหมสู้ก็ต้องทําศึกสงครามกัน เรมตายกันไปเหมือนพระเอาโศกกาลามเห็นไม้มพระเจ้าอาโศกท่านก็ทำสงฆ์ามามากมายจากกนกระทั่งท่านกลัววิบากมากท่านเลยการมาเป็นผู้ประทับพระพุทธศาสนามาทำบุญเพื่อที่จะอล้างบาปของตนเองเนี่ยมีพระเอาโศกพระเจ้าเอาโศกเนี่ยที่เป็นผู้ที่มี มีคุณกับพระพุทธศาสนามากที่ช่วยประครับประคองเลยว่าฟื้นฟูเมื่อโยนั้นกับศาสนาเริ่มเสริมลงไปน ะ, ะท่านจับพระเสือกันไม่รู้เป็นกี่พันท่านอจารย์พูดอย่างนี้แล้วนึกถึงเหตุหการณ์ที่นันทาที่บมาฆ่าพระเลือกน้ อ, นองอ้นั่นก็เป็นกรรมของบรรดาภิกษุสงเหล่านั้นเหรใช่ะ ก็กรรมทุกคนเมันเกิดก็ต้องตายด้วยกันทุกคนมเห็นจะเป็นเรื่องใหญ่โตไหนแล้วดีแบบถูกแล้วก็โดนทำลายล้างโดยทีปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดถ้ามันเกิดมันก็ตายด้วยกันทั้งนั้นแ่ะพระพุทธเจ้ายังตายเลยแต่วิธีการตายแบอมันก็ไม่ตามวิธีไหนมันตายเหมือนกันแหละไปคิดให้มันยุ่งยากใช่ไหมคือมันมันเกิดสุดสองเพศเราแบบก็แค่เป็นเรื่องธรรมดาปกติเกิดมาแล้วก็ตายด้วยกันทุกคน เป็นพระหลือเป็นโยมเป็นอะไรมันก็ตายเหมือนกันแหละอมันไม่สําคัญคเรื่องความตายไม่สําคัญบอกแล้วสําคัญว่าอยู่แบบไหนเท่านั้นเองอะ่ะอยู่แล้วอยู่แล้วคิดดีพูดดีทดําดีได้กําไรเข้าใจไมได้ไปเป็นพระอรหันได้ถ้าอยู่แล้วคิดร้ายพูดร้ายทําร้ายมันก็จะไปนรกเท่านั้นแหละให้คิดแค่นี้ก็ใช่แล้วฮะว่าหลวงพสลับหมดทุกอย่างเอา เอาข้างในคิดให้มันอย่าไปคิดอะไรเลย<ม>เ<ร>ออคิดทําไมล่ ะ, ละคิดเราจะไปเปลี่ยนอะไรได้เปล่าเนี่ยยายโย่เนี่ยจะไม่ตายเหรอเนี่ยใครคิดว่างวันเดี๋ยวต้องตายกันจากกันเนี่ยและท่านองค์ุลมาแล้วเจ้าค่ะท่านไม่ต้องรับกรรมแต่ท่านก็ตายถ้าไม่รับกรรมเพาะท่านไม่กลับมาเกิดเนี่ยถ้ากรรมมาเกิดก็ต้องไปรับกรรมต่อ นะ่นแหละพระเจ้าเจ้บอกทางเดียวที่จะตัดกรรมทั้งหมดให้มันหมดไปก็คืออยากกลับมาเกิดทุกย่อไม่มีแั่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นเนีย่ยไม่คิดขึ้นคำนี้มากทุกวันนี้เราทุกเนี่ยทุกเพราะอะไรทุกเพราะเรามาเกิดกันไม่ใช่ไหมทุกแล้วก็ต้องมาแก่ใช่ไหมมาเจ็บใช่เรมมาตายใช่ไหมมาพัดลากจากกันใช่ไหม พอให้ใหญ่โตขนาดไหนร่ำรวยขนาดไหนมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันต้องพัดพากจากกันเหมือนกันเด็กวยไดังไงก็ปรารถนาแล้วเกินย่อหลวงพ่อไม่อยากกลับมาเกิดไม่อยากกลับมาเกิดแต่ก็พยายามพยายามไม่นึกอยากเกิดยังโยกท่อง นัตถิแดนิคุณพะโวท่องแอกแต่ว่าอย่างนี้ก็ยังไปเออยังไปเผอไปเอเบลามีไปกับขงมวนแต่ว่าหลวงพ่อเทศเข้าใจแล้วใช่ไหมไปคิดปรุงแต่งกันทุ่งท่านหรือเปล่าไปทําใจให้ว่าพุทโธไปอย่างเดียวก็ไม่เอาคิดร้อยแปดคิดไปแล้วมันได้เลยใช่ ไ, ไหมพุทโธไปสิพุทโธ ไ, ไปเดี๋ยวจิตมันก็ได้อัปปนาสมาธิได้เลย ปนาสมาธิมันก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกสมุทัยนีร่รอดนะแล้วมันก็จะดับทุก์ได้หมดอันนี้ง่ายๆไม่ทํากันชอบไปทําให้เรื่องของของง่ายให้เป็นของยากกลนไปเอไปทําในเรื่องที่ม<อ>ไม่ให้<อ>ทำเลยง้อไ ป, ไปเลยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดถึงชะตากรรมเดสตินีอะไรคิดไป คิดไปเลยมันได้เลยคิดแต่พุโทโธเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เขาสอนพุโทโธอะค่ะพุโทโธคําเดียวเราไปคิดเหรอเกิดมาคิดมาตั้งแต่เกิดแล้วมันได้อะไรบ้างอ่ะได้นิพพานหรือ ย, ยังหยุดมันไดเอาพุโทโธเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านได้นิพพา น, นด้วยพุโทโธทั้งนั้น สอนเด็กันดูบาลให้ให้ปฏิบัให้ให้เรียนแบบเด็กมหาลัยนี่ก็ยากเนี่ยเพื่อลุงพ่อจะมีช็อตคัดหมอรู้สึกว่าถ้าพูดโทรศัพท์มันไม่สั้นที่สุดแล้วก็ไม่รู้จะสั้นกับพูดโทรแล้ว์หรือเปล่าะแล้วมีอะไรจะสั้นกับพูดโทรศัพท์ไมโยงนั่นแหะทางสั้นที่สุดไม่เอา่เน่ะชอบไปเอาทางยาวแล้วก็มาขอทางสั้นกัน ตาซ่อนก็บอกว่าพุทโทรไปทั้งวันเนี่ยเราทําดูซิาตามไม่ได้ผลเลยมามามาเล่าให้ฟังนี่มไม่ได้ผลเพราไม่พุโทโธทั้งวันเลยเไม่ต่อเนื่องหลวงตาท่านก็เคยอยู่พุโทโธไปทํากรดอยู่เดือนหนึ่งอพอจะกลับมาทําใจให้สงบมันไม่สงบนะแล้ว พลังในแต่ละที่ก็มีผลใช่ไหมเจ้าคะอ๋อไม่มีผลหรอกสัพยะอ๋อมันก็มีส่วนสนับสนุนในถ่วงที่ไหนมันร้อนๆมากๆ ม, มันก็ปฏิบัติลําบากที่ไหนมันหนาวมากๆ ก, ก็ปฏิบัติลําบากอันนี้มันเรื่องปกติที่มันเกี่ยวกับร่างกายแล้วเกี่ยวกับจริตบางคนก็ชอบที่ชอบในถ้ำบางคนก็ชอบที่โลง่งบางคนก็ชอบป่าชา้าบางคนก็ชอบป่าชาัด อันนี้มันเป็นเรื่องของเจตลึถึงแต่ละคนอันนี้ก็มีส่วนแต่มันไม่ได้เป็นส่วนใหญ่โตเข้าใช่ไหมส่วนใหญ่โตที่สุดก็คือสตินี่สตินี้เป็นเหมือนรอยเท้าช้างเขาว่าสําคัญที่สุดใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ารอยสัตว์ของสัตว์ทั้งปุกทั้งทั้งป่ารอยเท้าช้างนี่คร อ, อบได้สัตว์ทุกชนิดเลยรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดนี้จะถูกรอยเท้าช้างคร อ, อบได้หมดเลย นต่นแหละสติเนี้ยเป็นสัพพามสาคัญอย่างอื่นก็สำคัญแต่ไม่สำคัญเท่ากับสติที่ดีคนดีสัปพายะหมดแต่ไม่มีสติก็ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามีสติที่ไม่ดีที่อะไรก็ยังถูถ่ายสู้กันไปได้ถ้ามีสติเนี่ยคนมีสติบางทีอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองก็บรรุกได้เป็นคาราวสากับบรรลุได้ มีผู้ชายไปขอชายคนหนึ่งไปขอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าขณะที่ทรงบินถบาตพรพุทธเจ้าบอกตอนนี้ไม่ใช่เวลาเวลาแล้นี้กําลังบินถบาทอยู่เขอบอกขอภาวณาเถิดช่วยโปรดสอนสั้นๆก็ได้พระเจ้าก็สอนสั้นๆว่าให้เธอสักแต่ว่ารู้นะเธอเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่ารู้ทานนั้นเขาก็บรรลุแหละ ที่บอกให้มองโลกว่างเปล่าอ่าแต่ว่าเห็นคือเห็นแต่ไม่ได้ไปเห็นว่าเป็นนู่นเป็นนี่กันนะไอ้เพราะเราเห็นแล้วไม่เห็นเป็นนู่นเป็นนี่ไปหมดเห็นก้อนเห็นกลายเป็นเพชรไปเนี้ยเห็นเพชรกายเป็นเอเห็นทองเห็นโลหะกลายเป็นเป็นทองป๊อปขึ้นมาเกิดความโลภความอยากได้ขึ้นมาให้เห็นว่ามันเป็นสัตว์แต่ว่าสัแต่ว่ารูปเสียงก็สัตว์แต่ว่าเสียง ไม่มีคุณค่าราคาเราไปจำแนกแยกแยะเสียงต่างๆมันขึ้นมาเอง <c oughs> แล้วพอเห็นอะไรปั๊บเป็นของเราขึ้นมาทันทีเลยพอเป็นของเราลายแตะไม่ได้เลยแตะก็โกรธเลย เข้าใจไมช่เช э ็อตพักต ik> ้องฟังหลวพ่อบ่ๆเฮ้ยบอกช็อตกล้ผมพูดทั้เยเขามาฟังอีกร้อยครั้งมันก็ไม่ได้อะไรหรอกมันก็ได้ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ล yes ืมหมดแล้วมาจดป็นทำไมจดเดี๋ยวกลับไปบ่านอ่านก็ไม่เข้าใจแล้วเลือายได้ค่ะว่าเราฟังทํามไม่ต้องไปจดถ้าเราเวลาฟังทาให้มีสติฟังอย่างเดียวถ้ามันกไปที่นาเอ๊ะหลวงพ่อูดีก็ ถ้ามันเข้าใจมันจะจําได้เองถ้าไม่เข้าใจมันก็จําไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันถ้าอันไหนไม่เข้าใจไปเปิดดูเองก็ไม่เข้าใจให้เมื่อกี้เขียนนี้หมายความว่ายงไงเนี่ยสั้นที่สุดแล้วก็คือไปพุโทโธนะไปความรู้ต่างๆเหล่านี้ไม่ไม่สําคัญ <S S S S S okay. เดี๋ยวพุโทโธพาไปหาเองความรู้ความรู้ต่างๆมันอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ที่เราเหรอกไม่ได้อยู่ที่คนอื่น คนอืน่นเพียงแต่บอกให้เราเข้าไปหาดู<ม>ของจริงท<ม>ี่อย<ม>ู่ในใจเราเ่านั้นเอ ง, องทีนี้เราต้องรู้ว่าคือใจของเราใจเราสุขหรือใจเราทุกขานี้เองเนี่ยใจเราทุกขเพราะอะไรก็ตัดมันเสียเอพอตัดมันได้ปั๊บใจก็จะสุขขึ้นมาเองไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนดับความทุกข์ที่ใจแล้วความสุขมันก็จะเกิดขึ้นมาเองอันนี้แหละนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ขาดแค่ตรงนี้เอง สั้ๆง่ายๆช็อตคัดที่สุดแล้วไงไอรู้อริยสัจเนี่ยอยู่ในใจเราทุกสมุทัยทุกเกิดจากสมุทัยสมุทัยก็คือตัณหาความอยากนี่รวยการดับทุกข์ก็เกิดจากมรรคมรรคก็คือสตินี่ไงพุทโทธงไงออันนี้แหละง่ายจะตายไปสั้นที่สุดลนะ ไม่มีพุทโธมันก็เลยมองไม่เห็นหมอะไรองี้ไม่มีพุทโธเลยรมองไม่เห็นทุกเวลาทุกเวลาทุกก็ต้องไปโทษว่าไอ้น no. ั่นทําให้เราทุกช้ใช่ไหมไม่ได้เคยโทษตัวเราเองเป็นคนทําให้เราทุกอ่ะเนี้ยเวลาทุกอันนี่เอาเก็ทําให้เราทุกเอาไปแก้ที่เขาเช่นรถเสียทําให้เราทุกเราต้องไปซ่อมรถมันจะได้หายทุกใช่ไหมจะได้ใช้รถได้จะได้มีรถใช้ ท, ที่โอ้โอมีรถมันทุกอย่าไ ม, มีมันดีกว่ามันไปแก้ผิดที่มันไม่แก้ที่ใจแต่อยากจะมีรถเนี่ยก็อย่าไปมีเส้นก็หมดเรื่องถ้าม่อยากมีรถแล้วรถจะเสียไม่เสียก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรมันมองไม่เห็นหรอกเพราะมันไม่ได้มองข้างในมันไปมองข้างนอกตัวปัญหามันอยู่ข้างในทุกข์อยู่ข้างในใจ ตอนเหตุความความทุกข์ใจก็อยู่ข้างในใจผู้นี้เลึกไหมเข้าใจไหม응เครื่องดับทุกก็คืออยู่ข้างในใจเครื่องดับทุกก็คือพุโทโธเนี่ยพอพุโทโธพุธโทโธไปความอยากมีนก็หายไปเองเนี่ยก็หายพอความอยากมีแล้หายไปมีแล้วไม่มีก็ไม่เดือดร้อนแล้ว ยังอยากมีรถอยู่เดี๋ยวไม่มีการซางมก็เดือดร้อนอยากมีรถเพราะยังอยากไปนูน่นอยากมานี่อยู่พยายมาหลวงพ่ออ่นั่นแหละอันนี้ <c oughs> ก็เป็นก็เป็นอยากเหมือนกันแหละท <c oughs> ีพุโทโธแล้วมันไม่อยากมาหรอกมีพุโทโธแล้วมันอยู่ที่ไหนมันก็พอแล้วเนี่ยสั้นที่สุดละสองคำนี่พุโทโธเนี่ย ไม่มีอะไรจะสั้นกว่านี้แนละ้วเอาลนะพอแล้วยังเอาพ อ, อยะท้าวาริวาหาปุราปาริปุเ ร, รติสา ข, ขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัาปติ อิชิตังปัิติังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจฉาตุสัพเทปุเรนตุสังกปาจันโทปัญหาะโสยัตถามณีโจติละโสยัถาสัพพิติยวิวัชฌานตุสัพพารุโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภะ อภิวาทนาสีฤทธะฤิจังวุฒาปจายิโนยตาโรธรรมาวะทานติอายุวันโอสุขงาางังภาลังลูกพี่ว่าไม่ต้องไปใส่ใจปฏิจจคุริยะปัจจิตุพุทธเจอาหลวงพ่อบอกว่ามักแต่คือสติโอโทรนะคะ เดี๋ยวมันเขาถึงตรงนั้นมันเห็นทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นะพระเจ้าก็ไม่ได้ไปเรียนจากที่ไหนมรรคแปดโพธชงสามสิบอะไรโพธชงอะมันอยู่ในใจเราหมดนั่นแหละพอก็้าไปใจแล้วมันเห็นหมดทุกอย่างมันอยู่ในนั้นมรรคไม่ใชว่าสัมมาแปดอันได้ตั้งกองจตุพุโธเอาพุทโธตัวเดียวก่อนเลยเดี๋ยวมันพาไปเลยเราไม่มีพุทโธไงก็มองไม่เห็นอยู่ดีเห็นคนตาบอดตาไม่ดีใส่แว่นซะก่อน ใส่ว่านเราเด็กก็เห็นเองอไม่เอาแว่นใส่กันชอบคํากันไปเรื่อยชอบรูปทากันไปเรื่อยมักแปดบ้างโพชงบ้างสติปัฏฐานบ้างอะไรมั่วไปหมดเนะี่ยแล้วมันได้อะไรบ้ราก็ต้องมาหาหลวงพ่อให้ฉลาดขึ้นละคะ่ะไปหาหลวงพ่อที่ไหนท่านก็จะสอนให้เราไปหาพุโทโธตัวเดียวก่อนเท่านั้นเนี่ยนะออออขออภัยด้วยนะถ้าธรรมะของเรามันแบบ เขกนะออจะทุกจริงๆหลวงพ่อแต่ว่าตรงไปตรงมาาจะอาจจะไม่ฟังแล้วไม่ไม่ไม่สนับหูชอบจ้ะค่ะข้าอยากได้หนังสือเชิญนอนนะได้ไปแล้วเลยสบายเนอะขอลง่อเปน่หลายอย่าง คนชอบว่าโลกวาถ้าไม่ไปอ่านบ็จะอ่านให้อ่านใจแต่ว่าบางครั้งมันก็ยังยังไม่จบค่ะคุณพ่อบอกว่าก็อ่านด้วยเชิงใจกับปฏิบัติธรรมกับปัจจุบันก็อ่านาด้คุพอก็อะท้สบายดีค่ะคืออ่านได้แต่มันอย่าไ้อ่านอย่างเดียวอ่าม่ต้องปฏิบัติคุณผูมอืมมันมีพื้นฐานทั้งเรื่องแแ้น แต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงไม่ต้องอ่านแล้วแต่พุโทโธตัวเดียวก่อนเลยนะ